ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพระในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นนิกายใดนะหน้าที่หลักเลยก็คือการทํางานศพนะหรือว่าทําพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับผู้ตายส่วนเรื่องการศึกษานะการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนตนหรือว่าการสอนญาติโยมในเรื่องธรรมะนี่เรียกว่าเป็นเรื่องรองหรือว่า อาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะหน้าที่ของพระเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับงานศพเกี่ยวกับผู้ตายหรือไม่เช่นนั้นก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายเมื่อครบเช่นครบหนึ่งปีสามปีห้าปีเจ็ดปีอะไรทำนองนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องมีพระเพื่อมาทำพิธีนี้จะเรียกว่าพระนี่ยอยู่ได้เพราะพิธีศพก็ได้ จนกระทั่งมีคนเขาขนานนามาศาสนาพุทธในญี่ปุ่นว่ า, าศาสนาแห่งงานศพนะ Funeral Buddhism นะเป็นพุทธาศาสนาที่เน้นเรื่องการประกอบพิธีศพนะเวลาไปสวดนี่ก็กันเทศหรือว่าค่าสวดนี่ก็ได้เยอะนะแล้วไม่ได้แค่สวดอย่างเดียวก็ต้องมีพิธีอื่นๆตามมาเช่นเวลาคนตายเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชื่อนะ ชื่อในพบนี้นะกับชื่อในปารโรคนี้ไม่เหมือนกันพระนี่ก็ทําหน้าที่ตั้งชื่อของผู้ตายแล้วก็ต้องเขียนนะเขียนข้อความหรือเขียนชื่อลงไปในแผ่นไม้ค่าเขียนนี่ก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นนะหลายหมื่นบาทนะหรือว่าเป็นหมื่นบาทนะสวยก็ตังหาราะนั้นงานศพเนี่ยของ ญี่ปุ่นนี่แพงมากตอนหลังก็มีการพยายามลดค่าใช้ใจ่ายนะเวลาจะทำศพก็ทำไงจะลดค่าใช้ใจ่ายมันก็มีบริการของเอกชนนะเป็นธุรกิจทำหน้าที่จัดหาพระมาสวดก็ก็มีราคานะปกติเนี่ยเราต้องไปติดต่อพระให้มาสวดราคาก็ก็รู้กัน ในะระหว่างพระกับผู้นิมนต์แต่ว่าบริษัทที่ว่านี่เนี่ยเขามีการระบุราคาเลยนะว่าเท่าไหร่เท่าไรนะส่วนนี้เท่าไหร่นะตั้งชื่อผู้ตายนี่เท่าไหร่ลูกค้าก็เลือกเอานะว่าอ่อราคาแบบไหนที่รับได้นะอันนี้พวกพระหลายลูกก็ไม่พอใจนะเพราะว่ามันทําให้อ่าช่องทางในการหาไรายได้ของพระมีน้อยลง คือพระในญี่ปุ่นเนี่ยนะจะว่าไปก็เหมือนกับคาราวาสแหละก็คือมีครอบครัวมีเมีย ม, มีลูกนะบางทีออกไปนอกวัดก็แต่งตัวเป็นคาราวานนะไปเรียนหนังสือบัง่งไปสอนหนังสือบั่งเพราะว่าเขามีอาชีพพระอย่างเดียวก็ไม่พอกินนะต้องไปสอนหนังสือ บ, า ง, อนนงอบางทีก็ไปทำํทำทําธุรกิจแล้วก็พอมีคนตายก็ค่อยไปข่มจีวรแบบพระนะ แล้วก็ไปสวดสวดก็เป็นเรื่องเป็นราวมากนะมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะไม่ได้สวดแบบบ้านเรานะสวดพิธามจบนะพวกเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีมันก็มีธุรกิจที่จะช่วยทำให้พิธีศพเนี่ยค่าใช้จ่ายน้อยลงนะแต่ก็ยังมีกําไรนะอันนี้ก็มีมากขึ้นแต่ตอนหลังตอนนี้เขาก็มีความคิดใหม่นะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะลดค่าใช้จ่ายในงานศพนะ ก็คือไม่ต้องนิ ม, มนต์พระมาสวดแล้วนะไปเช่าหุ่นยนต์มาอยู่หุ่นยนต์นะหุ่นยนต์เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเริ่มที่จะเปิดตัวแล้วนะหุ่นยนต์แต่งตัวเนี่ยห่มจีวรเหมือนพระเลยแต่หน้าตาเป็นหุ่นยนต์นะแล้วให้สวดอะไรก็ได้นะสวดตามประเพณนนีเลยนะเดะเลยนะราคาถูกมากนะถูกที่วานี้ก็ก็เป็นหมื่นนะ สี่้อยห้าิบดอลลาร์ก็เป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามแต่ว่าถูกกว่าการนิมนต์พระเป็นๆหรือพระตัวจริงๆมาเนี่ยท่านนิมนต์พระที่เป็นคนจริงๆนี่ก็เป็นแสนนะยันอีกนิดเขาก็มีพิธีการหรือว่ามีเทคนิคใหม่ๆนะที่จะทำให้มีบริการดีกว่านัมีบริการใหม่ๆนะที่จะดึงดูดลูกค้าตอนนี้มีบริษัท น, นึงนะเขา ให้บริการเริ่มและเริ่มนะเริ่มเปิดตัวแล้วก็คือเวลาเวลาคนญี่ปุ่นจะไปเคารพศพเนี่ยก็ก็มีหลุมศพนะถึงแม้ว่าที่เผาเผาศพก็เริ่มทำกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีสูสารที่คล้ายๆว่าเป็นที่บรรจุอัฐินะสูสารเขาก็ทำอย่างสงบนะ แต่ว่าเวลาญาติโยมนะหรือประชาชนเนี่ยจะไปเคารพศพเนี่ยเขาก็ใช้เทคโนโลยีนะล้ำยุคมากขึ้นเช่นเอาโทรศัพท์นี่นะไปชี้ที่ป้ายคนตายแล้วเดี๋ยวมันจะมีภาพออกมาจะมีภาพเหมือนกับว่าเขากำลังมาคุยกับเรานะ <c oughs> เขากำลังยิ้มให้เราคนตายนะ ยิ้มให้เราแล้วก็อาจจะพูดว่าฉันสบายดีนะฉันรักพวกฉันรักพวกเธอนะฉันเฝ้าดูพวกเธออยูนะ่เป็นภาพของเขาออกมาเลยนะตอนนี้นะมันภาพมันไปปรากฏอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์แต่ต่อไปนี่ภาพของคนตายนี่อาจจะโผล่มาเป็นภาพสามมิติอยู่ข้างหน้าล้วก็เลยนะก็ได้นะไม่ต้องใช้โทรศัพท์แนละ้ว เป็นภาพสามมิติเขาเรียกภาพโฮโลแกรมนะเหมือนกับว่าเขายือนอยู่หน้าเราจริงๆเลยนะตอนนี้เนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะกับสวนสัตว์นะสวนสัตว์เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาสัตว์ไปไปขังแล้วนะไม่ต้องไปซื้อสัตว์มาละเดินไปตามที่ต่างๆเดี๋ยวก็จะมีช้างมั่งเดี๋ยวก็จะมีกวางมั่งโผล่มาบางทีก็มีปลาโลมากระโดดนะพุ่งมาจากน้ํา นะแล้วก็พอมันตกลงมากระแทกกับพื้นน้ำก็มีน้ำซัดสาดกระเด็นออกมาเหมือนจริงเลยนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีล้ำนามากนะไปสวนสัตว์นี่ก็จะเจอสัตว์ทุกชนิดเลยแพนด้าไม่มีกรงด้วยมันโผล่มาให้เราเห็นแต่เราแต่เมื่อต้องตัวมันไม่ได้นะเพราะมันเป็นภาพแต่มันเป็นภาพสามมิติมากนะเหมือนจริงแล้วก็จะจริงขึ้นเรื่อยๆือ เพราะฉะนั้นไม่ไม่ยากนะเวลาไปเยี่ยมไปเคารพศพคนตายนะครบปีนะมันก็จะมีภาพคนตายโผล่มานะไม่ใช่ภาพน่ากลัวนะจะเป็นภาพที่อ่าเหมือนกับว่าเขากําลังทักทายเราเขากําลังคุยกับเราหรือเขากําลังจะบอกเราว่าเขาสบายดีนะเขาเป็นห่วงพวกเรานะขอให้พวกเรามีความสุขนะเนะี่ยในญี่ปุ่นนี่เขาก็ไปไกลเลยนะซึ่งวิธีนี้มันก็ข้อดีก็มีนะ คนที่กําลังทุกโศกเนี่ยนะพอเห็นภาพของคนที่ตัวเองรักนะซึ่งจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขายังไม่ได้จากเราไปจริงจริง้านะคนเวลาสูญเสียคนรักเนี่ยในใจก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราอย่างที่ว่าเขายังอยู่กับเรายัางทำใจไม่ได้ที่เขาตายจากโลกนี้ไปแล้วนะแต่การที่มีภาพที่เหมือนกับว่าเขายังอยู่กับเราเนี่ยมันก็ทาให้อ่อ คลายความเศร้าโศกลงไปได้บ้างนะแล้วค่อยๆทําใจได้มากขึ้นว่าเขาตายไปแล้วนะไอ้ที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ภาพแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันทำให้คนยึดติดมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายังรู้สึกว่าเขายังอยู่กับเราเนี่ยนะในการที่จะปล่อยวางเขาไปแล้วก็กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามองไปข้างหน้ามันก็อาจจะทําได้ยากหลายคนเนี่ย พอสูญเสียสามีสูญเสียลูกแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าลูกหรือสามียังอยู่กับเขาอยู่เลยอยู่ในบ้านยังทำใจไม่ได้มีบางคนเนี่ยสามีตายไปแล้วก็ยังทำอาหารให้สามีกินทุกเช้าเลยเอาอาหารมาวางไว้บนโต๊ะที่สามีเคยนั่งนะแล้วก็โทรศัพท์ไปคุยกับสามีสามีคุยไม่ได้แล้วแะแต่ว่ามันมีเสียง เสียงที่อัดไว้ก่อนที่จะตายนะเช่นมันมีเสียงบอกว่าตอนนี้ยังไม่ว่างนะนะเดี๋ยวจะโทรกลับไปเนี่ยมันมีเสียงอัดเสียงบันทึกแบบนี้อยู่นะสำหรับบางคนให้เมียเนี่ยซึ่งยังทำใจไม่ได้นะที่ผัวตายนะก็จะโทรศัพท์นะเข้าหาเนะข้าหาเบอร์ของนะสามีเนี่ยนะฟังเสียงเขานะ อันนีก้ก็ดูเหมือนว่าจะทําให้มีความสุขนะแต่ว่ามันเป็นการหลอกตัวเองนะหลอกว่าเขายังมีชีวิตยอยู่นะก็ทําให้ใจเนี่ยมันไม่สามารถจะปล่อยวางหรือว่าไม่สามารถที่จะมองไปข้างหน้าแล้วบางทีพอหมกมุ่นกับสามีนะก็ลืมลูกนะลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะแต่ว่าแม่นี่สนใจแต่พ่อยังหลอกตัวเองว่าพ่อยังอยู่พ่อยังไม่ตาย นก็เฝ้านะเฝ้าปรนนิบัติสามีส่วนลูกนี่ไม่สนใจเลยถ้าลูกเจอแบบนี้บ่อยๆนะลูกคงจะเสียใจแล้วก็อาจจะรู้สึกขาดความอบอุ่นแล้วก็อาจจะไปพบเพื่อนนะไปหาไปคบเพื่อนถ้าได้เพื่อนดีก็ดีไปถ้าได้เพื่อนไม่ดีก็แย่ ถ้าได้เพื่อไม่ดีเด็กก็เตลิดเปิดเปิงนะกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เสียแต่สามีนะเสียลูกด้วยนะสามีที่จากตายนะสวนลูกนี่จากเป็นนะเพราะว่าไม่ได้สนใจเขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้สนใจคนที่ยังอยู่กับเรานะไปนสนใจคนที่จากไปแล้วนะอันนี้มันก็เป็นปัญหาได้อ้เทคโนโลยีเกี่ยวกับพิธีสมนี่มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยมันก็จะ เวลาไปที่ไหนนะไปที่ที่คนที่จากไปเนี่ยเขาเคยอยู่ก็อาจจะมีภาพของเขาปรากฏอยู่ตรงนั้นก็ได้เช่นเขาอาจจะเคยชอบนะที่ชอบหาดชอบทะเลชอบหัวหินนะพอไปตรงนั้นก็จะมีภาพเขาปรากฏเป็นภาพเขากาลังเล่นน้ำนะก็ทำให้อ่มันก็คลายความเศร้าโศกได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะ สราบางคนมันทาให้มีความยึดติดมากขึ้นแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับคนที่จากไปจนลืมที่จะให้ความสนใจคนที่ยังอยู่หรือว่าใช้ชีวิตนะให้มันมองไปข้างหน้านะไม่ใช่อยู่แต่อดีตเอาแล้วก็เท่านี้แหละเตรียมรับพ่อิจิตังปฏิตังตุมพังคอยท่าผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีปาเมวัสามชาต ดวงสำเร็จโดยฉาพรานสาเพปูเรนตุสังกับปาพอความดำรีทั้งปวงดรงเต็มที่จันโทปนารโสยต า, าเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติระโสยต า, าเหมือนแก้มณีอันสว่างสวยควรยินดีสาพีติโยพิวาชนโตหวานจันไรทั้งปวงจงบําราชไป สัพาโรคโควินาสตูโรคทั้งผ่วงของท่านจงหายมาเตภวัฏวันตรารโย อ, อันตารายามีแก่ท่านสุขิธีขายุโพภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังุทธาัจายโน จัตตารโรธมาวะทันติอายุวันโนสุพังพลังฐานสี่ประการคืออายุวันนะสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตูสาพมังคลังพอสาพัมงคลจงมีแก่ท่านราคันตูสาเทวตา พอเราเทวดาทั้งผวงจงรักษาท่านสัพพาภูตานุภาเวนาโวยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสติภาวันตัเตอพอข้าสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุม่มเอเท่น